คำพีวิสุทธิมักขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนิทานกถาปัญหาพยากรก็แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธนิพนธคาถาปัญหาพยากรนี้ไว้ดังนี้นรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกขุ มีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงทางโรคชัดอันนี้เสียได้ก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระพุทธนิพนธขถาปัญหาพยากรณนี้ได้ยินว่ามีเทวบุตรตนใดตนหนึ่งเข้าไปฝ้าวพระผู้มีพระภาค ซึ่งเสด็จประทับอยู่ณพระนครสามวัตถีในเวลาอันเป็นส่วนแห่งราตรีเพื่อจะถอนความสงสัยของตนจึงได้กราบทูลถามปัญหานี้ว่าประชาศัตร์โรคชัดทั้งภายในโรคชัดทั้งภายนอกรุงรังไปด้วยโรคชัดข้าแต่พระโคดมเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงขอกราบทูลถามพระพุทธองค์ใครจะพึงทางโรคชัดอันนี้เสด็ได้ อธิบายปุชชาปัญหาปุชชาปัญหานั้นมีอา ธ, าธิบายโดยย่อดังนี้คาว่ารคชัดนี้เป็นชื่อของตัญหาซึ่งเป็นเพียงดังว่าายเป็นความจริงตัญหานั้นเป็นเสมือนหนึ่งชดากล่าวคือคแขนงสาขาแห่งสุมทุ่มพุ่มไม้ไผ่เป็นต้นโดยอาธาว่าเกี่ยวประสานไว้เพราะบังเกิดขึ้นบ่อย ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นด้วยสามารถเบื้องล่างเบื้องบนเพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่ารคชัดอนหนึ่งตัณหานี้นั้นเรียกว่าเป็นโรคชัดทั้งภายในเป็นโรคชัดทั้งภายนอกเพราะบังเกิดขึ้นในบริการของตนและบริการของคนอื่นในอัตภาพของตนและของคนอื่น ในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกประชาสัตว์รุงรังแล้วด้วยโรคชัดอันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้นั้นเหมือนอย่างว่าไม้ไผ่เป็นต้นย่อมรุงรังด้วยแขนงไผ่เป็นต้นฉันใดอันว่าประชากล่าวคือมูสัตว์นี้แม้สิ้นทั้งมวลรุงรังแล้วด้วยโรคชัดคือตันหานั้นอธิบายว่า อันโรคชัดคือตันหารัดรึงแล้วเกี่ยวประสานไว้แล้วเหมือนอย่างนั้นก็เพราะเหตุที่หมู่สัตว์รุงรังอย่างนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคนั้นว่าข้าแต่พระโคดมเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงขอกราบทูลถามพระพุทธองค์คำว่าข้าแต่พระโคดมเทวบุตรระบุพระนามพระผู้มีพระภาคโดยพระโคด คำว่าใครจะพึงทางรคชัดอันนี้จะได้คือเทวบุตรกราบทูลถามว่าใครจะพึงทางใครจะเป็นผู้สามารถเพื่อจะทางรคชัดอันรึงรัตไรโลกธาตุซึ่งดํารงอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นั้นได้ก็แลพระผู้มีพระภาคผู้มีญาณอันส่องไปไมิได้ติดขัดในสักพธรรมะทั้งหลายเป็นเทวดาของถวยเทพ เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายเป็นเท้าสักกะเลิศล้นกว่าเท้าสักกะทั้งหลายเป็นพรหมล่วงเลยพรหมทั้งหลายส่งกล้าวกล้าเพราะทรงประกอบด้วยพระเวสารัชยานสี่ส่งไว้ซึ่งพระทศพลยานมีพระยานมิได้มีเครื่องขีดขั้นมีพระจักสุรอบด้านครั้นถูกเทวบุตรกราบทูลถามดังนี้แล้วเมื่อจะทรงตอบข้อความนั้นแกเทวบุตร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 บัดนี้ข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงพระมหาพุทธโคสาจารย์จากปัญญายความแห่งพระพุทธนิพนธคถาที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสวิสัชนาไว้แล้วนี้อันต่างด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตามที่เป็นจริงต่อไปโยคีบุคคลเหล่าใดในพระศาสนานี้ได้รับการบรรพชาอันหาได้ด้วยยากในพระศาสนาของพระชินเจ้าแล้ว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 โดยอิงอาศัยเทศนานิยาของพระเทระทั้งหลายชาวมหาวิหารอันจะทำความปราโมทให้แกโยคีบุคคลเหล่านั้นเมื่อข้าพเจ้ารจนาคำพีวิสุธทธิมากนั้นโดยความเคารพขอสาทุชนทั้งหลายผู้ประสงค์ความบริสุทธิ์สิ้นทั้งมวลจงใครครวรดูโดยความเคารพเทินอธิบายทางแห่งวิสุธทธิ ในคำเหล่านั้นคำว่าวิสุทธินักศึกษาพึงทราบว่าได้แก่พระนิพพานอันปราศจากมนทินทั้งปวงอันบริสุทธิที่สุดทางแห่งวิสุทธิคือพระนิพพานนั้นชื่อว่าวิสุธทธิมักอุบายเป็นเครื่องบรรลุถึงเรียกว่ามักคะรวมความว่าข้าพเจ้าจักรรจนาคำพีวิสุธทธิมัก คืออุบายเป็นเครื่องบรรลุถึงซึ่งวิสุทธิคือพระนิพพานนั้นก็แลทางแห่งวิสุทธิ น, นี้นั้นในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่งเหตุสักว่าวิปัสสนาเท่านั้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าเมื่อใดโยคีบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในทุก นี่คือทางแห่งวิสุทธิในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่งญาณและปัญญาเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าญาณย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีญาณญาณและปัญญามีในผู้ใดผู้นั้นแหลอยู่ใกล้พระนิพพานในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่งกรรมเป็นต้น เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่ากรรมวิชาธรรมะศีลและชีวิตอันอุดมสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยคุณธรรมห้าประกาศนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดและทรับให้ในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่งศีลเป็นต้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นแล้ว มีความเพียรปราบรบแล้วมีตนส่งไปแล้วในการทุกเมื่อย่อมข้ามห่วงน้ำอันข้ามแสนยากได้ในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยวสามารถแห่งสติปัฏฐานเป็นต้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ทางสายนี้ได้แก่สติปัทานสี่แม้ในสมมัิปทานเป็นต้นก็มีในยะเหมือนกันนี้อธิบายปัญหาพยากรก็แลในปัญหาพยากรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยสามารถแห่งคุณมีศีลเป็นต้นจะอา ธ, ธิบายโดยย่อดังนี้ คำว่าตั้งตนไว้ในศีลแล้วคือตั้งอยู่ในศีลแล้วในข้อนี้มีอัธยาที่บายว่าโยคีบุคคลผู้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์เท่านั้นจึงเรียกได้ว่าผู้ตั้งอยู่ในศีลณที่นี้เพราะฉะนั้นที่ว่าตั้งอยู่ในศีลก็เพราะบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์คำว่านรชนได้แก่สัตว์ คำว่ามีปัญญาคือมีปัญญาในติเหตุกะปฏิสนธิอันเกิดแต่กรรมคำว่ายังสมาธิจิตละปัญญาให้เจริญอยู่คือยังสมาธิและวิปัสสนาปัญญาให้เกิดอยู่ก็และนาที่นี้สมาธิทรงแสดงด้วยหัวข้อว่าจิตส่วนวิปัสสนาทรงแสดงโดยชื่อว่าปัญญา คำว่ามีความเพียรคือมีความพยายามจริงอยู่วิริยะเรียกว่าอาตาปะเพราะอัฏฐว่าเผากิเลสทั้งหลายให้เร่าร้อนความเพียร น, นั้นมีอยู่แก่นรชนนั้นเหตุนั้นนรชช น, นั้นจึงชื่อว่าอาตาปีแปลว่ามีความเพียร คำว่ามีปัญญาเครื่องบริหารอธิบายว่าปัญญาท่านเรียกว่าเนปักกะแปลว่าปัญญาเครื่องบริหารผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องบริหารนั้นก็แลด้วยบทเนปักกะนี้ส่งแสดงถึงปาริหาริกะปัญญาจริงอยู่ในปัญหาพยากรณ น, นี้ปัญญามาถึงสามวาระในสามวาระนั้นวาระแรกได้แก่ สัจชาติปัญญาวาระที่สองได้แก่วิปัสนาปัญญาวาระที่สามได้แก่ปาริหาริกาปัญญาอันกำหนดนำไปซึ่งกิจการทั้งปวงคำว่าเป็นภิกขุความว่าผู้ใดเห็นภายในสงสารผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกขุ คำว่าเธอจะพึงทางโรคชัดอันนี้เสียได้อธิบายว่านรชนนั้นเป็นภิกขุประกอบด้วยธรรมะหกประการคือด้วยศีล น, นี้หนึ่งด้วยสมาธิที่ทรงแสดงด้วยหกข้อว่าจิตนี้หนึ่งด้วยปัญญาสามอย่างนี้หนึ่งด้วยความเพียร น, นี้หนึ่งเยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลยกขึ้นซึ่งสัตราคือวิปัสสนาปัญญา ที่ลับแล้วด้วยหินคือสมาธิด้วยมือคือปาริหาริกะปัญญาซึ่งมีกำลังคือความเพียรช่วยประคองแล้วจะพึงถางจะพึงตัดจะพึงทำลายซึ่งโรคชัดคือตัญหาอันตกไปในสันดานของตนนั้นเสได้แม้อย่างสิ้นเชิงเหมือนอย่างบุรุษยืนอยู่บนแผ่นดินแล้วเงื้อง่าสัตราที่ลับดีแล้วขึ้น จะพึงถางกอไผ่ขนาดใหญ่ได้ฉะนั้นก็แลในขณะแห่งมรคยานชื่อว่าพิกุนี้ทางโรคชัดนั้นในขณะแห่งผลละยานชื่อว่าทางโรคชัดเสร็จแล้วย่อมสำเร็จเป็นทักคินยาบุคคลชั้นยอดของโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า นรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกขุมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตั้งตนเวนในศีลแล้วทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงทางโรคชัดอันนี้เสได้ภิกษุนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีปัญญาด้วยปัญญาใดในพระพุทธนิพนธกถานนั้นกิจที่ภิกษุนั้นจะต้องทำในปัญญานั้น หามไม่เพราะว่าปัญญานั้นสาเร็จแก่เธอด้วยอนุภาพแห่งกรรมเก่ามาแล้วก็แล่อันโยคีบุคคล น, นั้นพึงตั้งตนไว้ในศีลแล้วพึงเจริญสมถะและวิปัสสนาซึ่งตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งจิตและปัญญาโดยกระทามติดต่อกันไปด้วยสามารถแห่งความเพียรที่ตรัสไว้แล้วในบทว่าผู้มีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหาร และโดยกระทาความรู้แจ้งชัดด้วยาสามารถแห่งปัญญานั่นเถิดเป็นอันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงทางแห่งวิสุทธินี้ในพระพุท ธ, ธนิพนธธกถานั้นด้วยมุข ค, คือศีลสมาธิและปัญญาด้วยประการชนนี้ทรงประกาศกิจแห่งสิกขาสาม ก็ด้วยพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศิกขาสามคำสั่งสอนอันมีความงามสามอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชาสามเป็นต้นการเว้นส่วนสุดทั้งสองและการสองเสบมัชฌิมาปฏิปทาอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงอบายเป็นต้นการประหารกิเลสโดยอาการสามธรรมะเป็นปฏิปักแห่งการล่วงละเมิดเป็นต้น การชำระสังกิเลสามและเป็นอันทรงประกาศเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นทรงประกาศอย่างไรอธิบายว่าในสิขาสามนั้นอธิศิลสิกขาทรงประกาศด้วยศีลอธิจิตตสิกขาทรงประกาศด้วยสมาธิอธิปัญญาสิกขาทรงประกาศด้วยปัญญา ความงามในเบื้องต้นแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยศีลจริงอยู่ศีลชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพระศาสนาเพราะพระบาลีว่าก็อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลอันบริสุทธ์ด้วยดีเป็นเบื้องต้นและเพราะพระบาลีว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงดังนี้ก็แลศีล น, นั้นชื่อว่าเป็นความงาม เพราะนำมาซึ่งคุณมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นความงามใน่้ำกลางแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยสมาธิจริงอยู่สมาธิชื่อว่าเป็นท่้ำกลางแห่งพระศาสนาเพราะพระบาลีว่าการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมดังนี้และสมาธินั้นชื่อว่าเป็นความงาม เพราะนำมาซึ่งคุณมีการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นความงามในที่สุดแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยปัญญาจริงอยู่ปัญญาชื่อว่าเป็นความงามในที่สุดเพราะพระบาลีว่าการชำระจิตของตนให้ผ่องแพ้วนี้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังนี้และเพราะมีปัญญาเป็นยอด และปัญญานั้นชื่อว่าเป็นความงามเพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมทั้งหลายสมดังที่ตรัสไว้ดังนี้ผู้เขาหินทึบเป็นแท่งเดียวย่อมไม่หวั่นสะเทือนด้วยลมชันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในคำนินทาและคำสรรเสริญทั้งหลายชันนั้นทำนองเดียวกันอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชาสาม ส่งประกาศด้วยศีลเพราะโยคีบุคคลอาศัยศีลลสมบัติแล้วจึงจะบรรลุวิชาสามได้อื่นจากศีลลสมบัติแล้วหาบรรลุได้ไม่อุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีอภิน ญ, ญาหกส่งประกาศด้วยสมาธิเพราะโยคีบุคคลอาศัยสมาธิสมบัติแล้วจึงจะบรรลุอภิญญาหกได้อื่นจากสมาธิสมบัติแล้วหาบรรลุได้ไม่ อุปนิสัยแห่งความแตกฉานในปฏิสัมพิทาส่งประกาศด้วยปัญญาเพราะโยคีบุคคลอาศัยปัญญาสมบัติแล้วจึงบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสีมิใช่ด้วยเหตุอย่างอื่นอันหนึ่งการเว้นส่วนสุดคือการมสุขคันลิกานุโยกส่งประกาศด้วยศีลการเว้นส่วนสุดคืออตตาคิลมัานุโยก ทรงประกาศด้วยสมาธิการซ่องเสพมัชิมาปฏิปทาทรงประกาศด้วยปัญญาอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงอบายทรงประกาศด้วยศีลอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงกามธาตุทรงประกาศด้วยสมาธิอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงพบทั้งปวงทรงประกาศด้วยปัญญา อันหการประหารกิเลสด้วยสามารถแห่งตทังคับประหารทรงประกาศด้วยศีลการประหารกิเลสด้วยสามารถแห่งวิคัมพนประหารทรงประกาศด้วยสมาธิการประหารกิเลสด้วยสามารถแห่งสมุดเฉดประหารทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึ่งปฏิปักษ์คธรรมชั้นล่วงละเมิดแห่งกิเลสทั้งหลาย ทรงประกาศด้วยศีลปฏิปักขธรรมชั้นครอบงามจิตทรงประกาศด้วยสมาธิปฏิปักขธรรมชั้นอนุยัยทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึ่งการชำระสังกิเลตชั้นทุจริตทรงประกาศด้วยศีลการชำระสังกิเลตชั้นตันหาทรงประกาศด้วยสมาธิการชำระสังกิเลตชั้นทิฏฐิ ทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึ่งเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีทรงประกาศด้วยศีลเหตุแห่งความเป็นพระอนาคามีทรงประกาศด้วยสมาธิเหตุแห่งความเป็นพระอระหันต์ทรงประกาศด้วยปัญญาจิงอยู่พระโสดาบันพระผู้มีพระภาตรัสว่า เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพระสกทาคามีก็เช่นกันพระอนาคามีตรัสว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในสมาธิส่วนพระอาหารหันตรัสว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในปัญญาคุณธรรมหมวดละสามก้าหมวดนี้คือสิกขาสามศา ส, สนามีความงามสาม อุปาณิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชาสามเป็นต้นการเว้นส่วนสุดทั้งสองและการสองเศษมัชิมาปฏิปทาอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงอบายเป็นต้นการประหารกิเลสโดยอาการสามธรรมะเป็นปฏิปักษ์แห่งการล่วงละเมิดเป็นต้นการชำระสังกิเลสสาเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นและคุณธรรมวมดลสามอื่นๆอีกทานองเดียวกันนี้ เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพียงเท่านี้ด้วยประการฉะนี้